สำหรับตอนนี้ก็ขอทุกท่านฟังและอ่านเรื่องนิทานร้อยเปอร์เซนที่บอกว่าเป็นนิทานร้อยเปอร์เซนกันเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่นามาพูดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบุญนักกุถุชพูดมักจะนํำมาเรื่องพระสูตรที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนมาพูดกันเป็นการแนะนําในเรื่องการบุญการกุศล แต่ถ้าว่าเรื่องต่างๆของดาวทั้งหมดที่กล่าวมาจากเล่มที่สิบเอ็ดก็ตามเล่มที่สิบสองนี้ก็ตามเป็นเรื่องนิทานจริงๆนี่ความเป็นมาของนิทานก็ถือว่าเรื่องต่างๆจะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้เพราะว่าเรื่องจริงที่ไม่สามารถจะสอบสวนได้ก็เป็นนิทานแต่เรื่องนิทานที่เป็นความเป็นจริง ที่ก็ไม่สามารถจะสอบสวนได้ก็ต้องเปน็นนุปทานเหมือนกันกลงความว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของอุปทานทั้งหมดทีนี้ก็มาคุยกันว่าหลังจากที่ขึ้นมาจากท้องของดาวดวงนี้แล้วที่กล่าวกว่าดวงดาวดวงนี้ดุร้ายมากอะไรก็ตามแล้วเข้าไปมาดูดหมดแล้วดูดข้าหายเข้าไปหมด โลกต่างๆดาวต่างๆก็โดดหายเข้าไปในท้องแม้แต่แสงสีต่างๆก็สามารถจะโดดหายเข้าไปในท้องได้หมดมองไม่เห็นแสงความจริงจะว่าโดดก็ถูกหรือว่าสิ่งทั้งหลายต่างๆไหลเข้าไปจากอากาศดันเขาถูกอีกเหมือนกัน <c oughs> ถ้าพูดว่าโดดเป็นสัตว์นิยมคนชาวโลกพูดกันน้ำโดดเข้าไปในโถงน้ำโดดเข้าไปในถ้ำน้ำโดดเข้าไปในวง แต่ความจริงจะว่าน้ําโดดก็ไม่ถูกนักน้ํำข้างหลังดันมาขะนั่งไหลเข้าไปในโตรจะเรียกว่าน้ําดันก็ไม่ผิดเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจะขอกล่าวว่าเป็นเรื่องของอากาศดันเข้าไปแล้วก็หายก็ไปความจริงในการหายมาหายก็ไปนานถ้าจะใช้เวลาดูกันต้องใช้เวลาแราปีถ้าว่าเราจะเสกประดาวดวงนี้ถก ดาวถูงดำโดยเข้าไปแล้วตั้งหน้าต่างตาสังเกตไว้ว่ามีตําหน่งอะไรสีสันวนนันน่ะเป็นยังไงทัศน์นาเป็นยังไงสังเกตไว้ <c oughs> แล้วก็ต้องทางตาดูกันเป็นปีๆ <c oughs> ไม่ใช่ดูกันเป็นชั่วโมงหรืไม่จะดูเป็นวันใช้เวลาอย่างน้อ ย, น, อยน้อยที่สุดก็ต้องสามปีถ้าเจ็ดปีหรือสามสิบปีหรือร้อปีบางทีร้อยปียังไม่ออกมาก็มี <c oughs> ถ้าหากว่าจะมีใครตะโกนถามมาบอกว่ารู้ได้ยังไงก็ขอตอบไม่ต้องตะโกนตอบก็ะซิบตอบว่ารู้ได้เพราะเป็นนิทานเรื่องนิทานเนี่ยพูดกันยังไงก็พูดได้เมื่อออกมาจากท้องดาวเสร็จก็เหินมาตามอากาศใกล้ๆ ก, กับพื้นแผ่นดินนี่คุยจะให้ได้เต็มที่ใช้คำว่าเหินคือไม่เจ่หอก เทาสูงเหินต่ำอันนี้ก็เป็นศัพท์ก็งคนสร้างนิทานเหมือนกันไม่ใช่เป็นศัพท์ที่นิยมกันทั่วไปกันเมื่อมาถึงสถานที่ที่มีบ้านเมืองอยู่ด้านทิศใต้ของดวงดาวคือว่าด้านทิศใต้ของมหาสมุทรเห็นมหาสมุทรุกระลงต่ำแล้วก็เหินเรื่อยๆไป ชมเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ลึกข้าไปในสถานที่ปันดินลึกมากเป็นเมืองที่มีความสวยสดงดงามมากมีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมบางทีมพร้อมมากกว่าโลกของเราบางอย่างโลกของเราไม่มีแต่เขามีพร้อมไม่อะไรบ้างก็ช่างแล้วต่อมาถ้าเมื่อจิตใจมันมีความพอใจในปหาสมุูร <c oughs> ม ห, มหาสมุทรที่เห็นนี่สีเขียวมีความสวยสดก็ดงามมากจึงย่องเข้ามาจะไกลไหลเข้าไม่คิดเมื่อเข้ามาถึงกลางแถวๆใกล้ๆฝั่งมหาสมุทรก็เห็นเมืองเมืองสามเมืองด้วยกันมีสามเมืองคือเมืองที่ตั้งอยู่ที่นั่นสวยสดก็ดงามหางกันไม่ไกลนะัก ก็ลงมาที่พื้นแผ่นดินเมอลงมาที่ผืนผืนแผ่นดินแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมาดูกันแล้วเอาให้เป็นที่ไปคิดว่าเมืองนี้มีความสวยสดสวงามดีหาทางลง <c oughs> การลงนี้ไม่ต้องหาสนามบินไม่ตอนน้องไม่ต้องมีรันเวย์เพราะว่าพวกพูดเลยชนะไม่มีร้อมีแต่ขา <c oughs> มองไปมองมาก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งเยืนอยู่กลุ่มใหญ่หลายคนแต่กลุ่มเล็กๆก็มีสอ ง, ส, องสัมคนอีกจุดหนึ่งมีคนเดียวห่า ง, ง, งจากกันประมาณต่สิบเมตรคนนี้อยู่คนเดียวกำลังออามือจิ้มโน่นจิ้มนี่ในธนาคยในอาคารของเขาแสดงว่าเป็นคนบอกสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่ง ยิงลงไปที่นั่นเมื่อลงไปที่นั่นแล้วก็เดินเข้าไปหาคนนั้นพ่อพอดีทั้งเวลาเขาว่างพอดีพ่อเข้าไปใกล้โจรหน้าเข้าไปหน้าประตูเขาก็ยกมือร้องเบียร์กบเก๋อะไรก็ไม่ทราบภาษาของเขาไม่รู้พูดใล้ายๆเสียงสั้นๆหนักๆคล้ายๆภาษาญี่ปุน่นแล้วก็แต่ว่าถ้าฟังเป็นภาษาของเรา ก็ฟังได้ว่าเชิญก็รับท่านผู้มีเกียรติ่มาจากโลกอื่นเชิญท่านนั่งบนเก้าอี้ที่ขอรับในฟังเป็นภาษาของเรา <c oughs> เขาพูดยาวทั้งหมดประมาณสิบท่านเสร็ จ, รจก็เข้าไปในอาคารของเขาอาคารของเขาเรียบร้อยมีเก้าอี้มีโต๊ะรับแขกมีทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วปบนนั่งเสร็จเขาที่ให้นั่งก็มีคน เจ้าหน้าที่ของเขาจะถือไม่นคนรับใช้ก็ไม่ถกนะมีเจ้าหน้ า, นาที่ของเขานําเอาน้ําเย็นมาให้และก็ส่งดอกไม้ให้คนรับดอกเขาบอกว่าเป็นการแสดงการต้อนรับท่านผู้มีเกียรติที่มาจากโลกอื่นเขาพูดเป็นครั้งที่สองจึงถามว่าท่านทราบได้อย่างไงวัน น, นั้นนัเข้าไปเจ้ามาจากโลกอื่น เขบอกอนดับแรกที่มองเห็นคือเครื่องแต่งตัวไม่เหมือนกันก็ <c oughs> ถามได้ว่าก็มีผ้ามีเสื้อเหมือนกันเขาบอเสื้อผ้าแต่มันไม่เหมือนกันเส <c oughs> ื้อผ้าของท่านท่านอย่าเผอไปก็มัง้งคณะของข้าพเจ้าใช้ผ้าธรรมดา <c oughs> แต่กคณะของท่านใช้ผ้าประดับไปด้ดยเพชรพอเขาพูดอยนี้ก็ตกใจเพราะเราเปลี่นแปลงกายเลือมเอาเครื่องแต่ ง, ต ง, ง, งกายเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเปลี่ยนตัวมา เขาเรียกว่าลืมเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องแต่งกายกเกันก็นบอกว่าเครื่องแบบอย่างนี้เป็นปกติธรรมดาของคนไม่ใช่หือเขาบอกว่าใช่แต่คนบางพวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเมืองนี้ในประเทศทั้งหลายเหล่านี้ทุกหลายประเทศไม่มีเครื่องแต่งกายอย่างนี้เพราะแวที่ระดับเสื้อผ้าของท่านนี่มีราคาแพงมาก ซึ่งไม่มีใครเขาแต่งกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนแบบนี้ถ้ายังมีก็ซ้องใส่ค อ, อนิดหนึ่งแล้วซ้องสร้อยหรือว่าทาแหวนนะทํสร้อยข้อมืออย่างนี้เป็นต้นแต่ติดผ้าทั้งผืนท้่ไม่มีใครเขาทำกันฟังเขาแล้วก็ยิ้มพอยิ้มแล้วก็นึกในใจว่าขอเครื่องแต่งกายสภาพที่ปกติให้หายไปมีเสื้อผ้าธรรมดาปรากฏ ก็เริ่มนึกไปอีกว่าเสื้อผ้าธรรมดาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกังเกตกับเสื้อกับเป็นเสื้อผ้าธรรมดาผ้าถุงมีผ้าคลุมตัวแล้วสีมันก็อาจจะเป็นสีส้มๆสีสสเหลืองๆพอก็าเห็นเข้าเขาก็ตกใจแสดงท่าตกใจพอตกใจทํำไมเขาลงจากเก้าอี้ก้มลงกราบถามว่าท่านกราบทําไม ฉะนั้นพรเจ้าทั้งหมดก็มีสภาพเหมือนท่านเป็นคนเช่นเดียวกันและเป็นแขกผู้มาเขาบอกว่าแขกประเภทนี้เขารู้จักมาเป็นครั้งเป็นคราวเพ <c oughs> ื่อไม่ได้มาบ่อยนักถ้ามาทีไรทุกอย่างที่นํามาให้ก็คือความสุขพอดีพระท่านเตือนท่านบอกคนคนนึกอย่างนี้นี่ยมันไม่ถูกเขาก็จับได้นะสิว่าคณะของเราเป็นใครคุณนึกใหม่ดีกว่า นึกว่าเป็นเสื้อเป็นกางเตงอย่างเขาก็เลยนึกตาม น, นั้นเขาเห็นเข้าเขาก็แปลกใจอีกว่าเมื่อกี้เครื่องชุดเตียงตัวชุดที่สองหายไปไหนทําไมถึงกลายเป็นเสื้อเป็นกางเตงแล้วก็บอกว่าในเมื่อเราเสื้อมีเรามีเสื้อมีกางเตงเหมือนกันก็ น, นั่งเสมอกันก็แล้วกันเขาบอกว่าอย่างนั่งไม่ได้เพราะอาการยานิพระใหญ่เคยมาแสดงถามเขาว่าพระใหญ่ของท่า น, น่ะคือใคร ท่านจำชื่อไดไหมเขาบอกประจันได้ถามว่าใครก็บอกพระใหญ่ของเขาคือพระโมคคัลลา <c oughs> พอฟังแล้วก็ตกใจถามว่าพระโมคคัลลาเคยมาที่นี่ไหมท่านรู้จักพระโมคคัลลาหรือเขาก็ตอบว่าคนส่วนใหญ่ที่นี่รู้จักพระโมคคัลลาดีถามว่าท่านก็มาถามยังถามก็บอกว่าท่านมาเมาื่อไรเขาก็ตอบว่าท่านมาเป็นครั้งเป็นคราว แต่ว่าระยะนี้ห่างไปหน่อยไม่เห็นท่านมาถามว่าเวลาที่ห่างไปจากระยะนี้ที่เคยมาเป็นช่วงทนับตามปีขั้นจั ก, กรวาลมนุษย์คือจกกัาาจา ก, กรวาเขามาจักรวาลมนุษย์พอพูดไาจั ก, กรวาลมนุษย์เขาก็ยิ้มเขาบอกว่าจะถานจั ก, กรวาลไหนจั ก, กรวาล น, นี้ที่คุยนี่ก็เป็นจั ก, กรวาลมนุษย์เหมือนกันพวกก็ไปเจ้าทั้งหมดก็ไปมนุษย์ก็ได้ตกใจเพาพูดสิทิอีกแล้ว แม่คนขายสติสัมปชัญญะมันเป็นอย่างนี้ก็เลยบอกว่าจักรวาลมนุษย์นี่มีมากใช่ไหมเขาบอกว่ามากเท่าที่พวกเข า, ากก ร, รู้จักกันเลก็มีสี่จักรวาลคือจักรวาลของเขาหนึ่งจักรวาลเวลาที่คุยนี่หันหน้าไปทางทิศใต้จักรวาลที่สองก็เป็นจักรวาลที่มองเห็นถ้าใช้กล้องระยะไกล ก็จะมองเห็นจักรวาลใหญ่ลอยอยู่บนซ้ายแล้วต่อไปอีกอีกช่วงระยะหนึ่งก็มีจักรวาลหนึ่งเฮ้จักรวาลหนึ่งก็อยู่ทางด้านเหลือเป็นจักรวาลใหญ่เหมือนกันลอยอยู่ในผิวเดียวกันของจักรวาลก็ถามเขาเพราะว่าจักรวาล น, นอกจากนี้มีที่ไหนอีกเ้าบอกว่าเขาไม่ทัาบคิดว่าดวงดาวต่างๆทั้งหมด ในจักรวาลนี้เป็นจักรวาลที่อยู่ของคนบ้างต่อปราศจากพวกคนบ้างเป็นจักรวาลว่างบ้างแต่ท่านที่เขารู้จักจริงๆในสีอจักรวาลรวมทั้งจักรวาลนี้ด้วยท่านมาถามความเป็นมาของคนในจักรวาลทั้งหมดเทุกๆจักรวาลท่านรู้จักคนไหมเขาตอบว่าใช่รู้จักท่านท่านก็ว่ารู้จักกันยังไงท่านติดต่อทางวิทยุหรือทางไหน เขาว่าเมื่อวานนี้กำลังติดต่อกันเพราะว่ามนุษย์จักรวาลต่างๆนี้เขาจะมากันเขาจะมาเที่ยวกันมีฐานไปทีนลงมีสนามบินไปทีนลงก็เลยถามก็ตอบไปว่าในเมื่อจักรวาลต่างๆมีมากเวลาเท่ากันไหมเ้าบอกเวลาไม่เท่ากันก็ลยยกนาฬิกาให้ดูเพรานาฬิกาที่เดินแบบนี้วนไปไปรอบหนึ่งถือว่าเป็นครึ่งวันของจักรวาลโลกชมพู จะหมุนไปรอบหนึ่งเว่ากับเวลาเต็มวันเวลากลางคืนและเวลากลางวันรวมเวลาได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวันเขาก็มีนาฬิกาเหมือนกันมันก็เดินเหมือนกันเขาบอกว่าถ้านับเวลาอย่างนี้นะก็ต้องถอยหลังไปประมาณสองพันปีเศษที่พระโมคคัลลาท่านมาบ่อยๆแต่ว่าระยะหลังจากนั้นท่านก็มาแล้วไหมกันมาไหมกันจะมานานครั้ง อาจจะเทียบ ต, ตามเวลาของจักราวาลที่ยกนาริตาเช่นโดนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสองสามปีจะมาครั้งหนึ่งก็ะถังบอกว่าเวลาเท่าสองพันปีเศษเน่ยคนที่นี่อยู่ได้ยังไงจะมีใครมีชีวิตอยู่เ้าก็ตอบว่าเขาบอเจ้าเนี่ยเวลาสองพันปีเศษของท่านมันใช้เป็นเวลาเล็กน้อยเท่านั้นเองถ้านับเวลาตามนี้ก็คนในโลกในจั ก, กราวาล น, นี้ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมด จะมีอายุถึงสองถึงหนึ่งหมื่นสองพันปีก็วยถามว่าเวลานั้นเวลานี้ท่านมีอายุเท่าไร่เขาบอกเวลานี้อายุของเขาเกิดมาแล้วน่าเกิดมาประมาณแปดพันปีก็เลยนึกสงสัยไอ้คนแปดพันปีที่มันหนุ่มมากดูหน้าตาแล้วคล้ายๆกับคนอายุสักยี่สิบแปดปีของเราก็เลยถามเขาตอบไปว่าในเมื่อพระโุคคัลลาท่านมาแล้วท่านทำไม ถ้นานอะไรมาให้เขาบอกอันดับแรกที่ท่านมาถ้าเอาความดีมาให้แล้วทุกครั้งท่านเอามาย้ำความดีที่ท่านให้ไหว้ถามว่าความดีที่พระโมคคัลลาให้นี่มีอะไรเขาก็ตอบ ว, ว่าหนึ่งขอมีหานสี่นั่นเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตตตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาลิศยาใครง่ายเยี่ได้ดีพอเยินดีด้วย และก็เบิกขาวางเฉยนี้เมื่อความไม่สบายใจเกิดขึ้นหลังจากนั้นท่านเอกทรงกำหนดสิทธิ์คือทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัพท์สองไม่รักทรัพย์สามไม่ผู้ติดในกรรมทางวาจาสี่คือไม่พูดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพื่อเจอเหลวไหลทางด้านจิตใจสามขึนหนึ่งไม่โลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นโดยไม่ชอบธรรมคือไม่ได้ทรัพย์สมัยของใคร แล้วจะไม่จองร้านจองผายไขมีความเห็นตรงตามคติทั้งหมดที่ที่สอนมาแล้วให้ปฏิบัติตรงตามนั้นก็ <c oughs> ถามว่าคนในในโลกนี้ปฏิบัติตามนี้หรือ <c oughs> ก็บ่าคนทุกประเทศในประเทศนี้รัฐบาลตั้งกฎนี้เป็นธรรมนูญการปกครอง <c oughs> การปกครองของประเทศนี้จะต้องมีพ ม, มีหา ร, ร, รสีลกรรมสิบเป็นพื้นฐานจริงๆทุกคนปฏิบัติตามนี้ เมื่อคุยกับเขาแล้วก็หันไปหาพระท่านท่านเขยิ้มแล้วก็ท่านมองหน้าก็มีความเข้าใจว่าเท่าที่เขาพูดนี่เป็นความจริงก็เลยถามาว่าพระมุคลลายเคยแนะนําพระที่มีความใหญ่กท่านมีไหมก็อก็ตอบว่ามีมีองค์เดียวถามว่าพระอะไรเขาตอบว่าพระพุทธเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าใหญ่ที่สุดจึงถามก็ว่าเขาเคยเห็นพระพุทธเจ้าไหม เขาก็ตอบว่าถ้าตามปกติไม่ตาเรือนี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าถ้าจะทางตาตาใจนี่เคยเห็นเพืก็ถามว่าตาใจของท่านอยู่ที่ไหนท่านบอกว่าอยู่ที่อารมณ์ต็ถามแล้วว่ามีความเคารพพระพุทธเจ้าไหมแล้วตอบว่าเคารพพระพุทธเจ้ปปาเคารพธรรมเคารพพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์นี่มีพระ บ, ารราบุคลาเป็นประธานนี่เขายึดแน่นอน เพคนทุกคนที่นี่ต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าใครละเมิดกฎสิบรายการคือผู้บหารสี่หรือกฎสิบรายการคือกำนวนสิสส บ, สส บ, สบสคนนั้นมีโทษหนักล้วถ <c oughs> ามว่าในประเทศนี้มีการสั่งประหารชีวิตไหมก็ตอบเขาก็ตอบว่าถ้ามีการสั่งประหารชีวิตมันก็ผิดโทษปาณนัิบัติไม่มีการสั่งประหารชีวิตไม่เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นทํำยังไง ก็บอกว่าก็ลงโทษไม่คบหาสมาคมให้อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งเฉพาะตอนนี้เหงนี้ต้องมองเล็บกัก บ, บริเวณ <c oughs> จากบริเวณอยู่กว้างๆหน่อยจะห้ามออกจากเขตนั้นเป็นการประมาณใจเมื่อคุยกันมาถึงตรงนี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผอ่านสําหรับคนพูดมากมันก็พูดมากเกินไปพูดกันไปมันก็จบเขามองมาเขาคุยไปเข า, ามองมาเพื่อเขาก็สงสัย เขาหันมาถามว่าขอประธานโทษเขาพูดภาษาเขาแต่เรานึกเอาเป็นภาษาของเราแล้วเวลาที่เราพูดภาษาของเรา้องเราก็นึกว่ก็หำไม่ก็หำไปเป็นภาษาของเขาอย่นลืมนะท่านโปรดฟังแล้วถ้าเราอ่านานี่เปเรื่องของนิทานนิทานจะพูดยังไงก็ได้เอาไงก็ได้ทุกอย่างถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริง <c oughs> เขาก็ถามว่าคณนะท่านตมาทั้งหมดปสิบท่านกว่า ท่านอาจจะมายานพานะเวลานี้ยานภานะเขาท่านจอดที่ไหนก็ถามก็บอกว่าทําไมท่านถึงสงสัยแบบนี้ท้าก็บอกว่าญานพานะต่างๆอยู่ในสายตายของผมผลเป็นเจ้าหนะ้าที่ดูยานพานะจะไปหรือจะมาถ้าเครื่องบินมาถึงแล้วจะเลี้ยวทางไหนจะจอดที่ไหนจะมีอะไรไหนพเป็นด้วยการมันเป็นการแนะนําจากผมทั้งหมดต้องผ่านผม แต่ว่ายานพาหนะที่ท่านมานี่รู้สึกว่าไม่สัตทบเครื่องสับยานของผมเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นมณดาท่านงหลายลอยบรรยากาศ <c oughs> ผมก็มีความรู้สึกว่าท่านจะมีเครื่องทํากายให้เบาช่วยประยงกายมาถ้ามันเป็นระบบวิทยาศาสตร์มันต้องเข้าคลื่นของผมแต่ว่าของท่านไม่พายคลื่นผมเลยผมก็สงสัยท่านมีเครื่องผักขึ้นยังไงเอาอแล้ว ก็ไอ <min> ้เจ้าเขาว่าคณะเขาเข้ามาเจ้าทั้งหมดที่มาเนี่ยไม่มันไม่ไดมาอายานผ่านนะไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องประยุงตัวให้ลอยแล้วก็ไม่มีการขับเคลื่อนลอยมาเองเฉยๆเขาถามว่าลอยมาอย่างไงฝึกการลอยได้ยังไงก็ตอ้ว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางใจถ้าคณะท่านทั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีความสนใจในมาทำคำสั่สอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเรื่มใสายเคารพในพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริง <c oughs> เวลาที่พระโมคคัลลาท่านมาเทวคัลลาท่านก็ไม่มีเสื่อมพานะมาไม่ก่อนเขายอมรับวัดไทยก็ถามท่านศึกษาจากท่านท่านจะสอนให้เขาก็หันมาถามว่าถ้าอย่า ง, งานั้นคณะของท่านานจะสอนขา้าพเจ้าได้ไหม จะ ไ, ไปหาพระท่น <c oughs> านพระท่านก็นมองดุนน่าต้องสแสดงว่าไม่ใช่โอกาสที่จะสอนกัน <c oughs> ก็เลยบอกก็ว่าเวลาที่จะสอนมันไม่มีเวลานี้ยังไม่ต้องการเป็นครูของไทยพระยังไม่มีความเข้าใจในศรัทธาและภาษาพระของทุกคนตอนนี้ขอชมสถานที่ก่อนเ <c oughs> ขาก็จะบอกว่าจะชมที่ไหนกเกยบอ ก, กว่าอันดับแรกขอชมในครัว เขาก็ยิ้มและทุกคนที่นั่งประการเขาก็ยินมเข า, าให้มาถามว่าท่านหิวเลยก็ตอบเขาบอกว่าไม่ได้หิวแต่อยากจะดูอาหารเขาถามว่าทําไมจะดูอาหาราก็ตอบเขาว่าในฐานะที่พวกท่านมีพรมีอาหารสี่และมีจรรมบกสิทก็ อ, อยากจะดูอาหารของท่านว่ามีเนื้อสัตว์ไหม เขาบอกว่าแปลกใจเลยคิดว่าพวกเขาที่กินหญ้าไหมงอไหมควายใช่ไหมพวกพวกก็ยิ้มจะบอกว่าคิดว่าอาจจะกินผักไม่ใช่หญ้าหญ้ากับผักมีสภาพไม่เหมือนกันเพราะหญ้านี่เป็นอาหารของคนไม่ได้มันต้องเป็นอาหารของวงัวของควายของมา้าของร้างแต่ผักนี่เป็นอาหารของสัตว์ก็ได้เป็นอาหารของคนก็ได้คนกินผัก จะไม่กินญ้างัวควายกินญ้าโดยกินผักด้วยไม่อยากจะทราบว่าคณะของท่านกินเนื้อสัตว์ไหมก็ากอตอบว่าปกติก็กินกันเขาถามว่าปกติแล้วถ้าอย่างเนื้อสัตว์ที่ไหนมากินก็บอกว่าสัตว์ที่หมดอายุไขมันมีอยู่ถ้าเวลาที่พบสัตว์ตายจริงๆเนื้อยังสดก็มากินกันได้ไม่ไม่แปลกไม่มีอะไรแปลก แต่ถ้าว่าถ้าไม่มีเนืน้อสัตว์พวกเราพวกข้าพเจ้าก็ชอบกินผักแต่การตรงอาหารด้วยผักจะเอารสอะไรก็ได้ให้เหมือนะรสให้เหมือนกับรสสัตว์ประเภทไหนก็ได้ก็เลยบอกกขาบอกขอชมสักหน่อยได้ไหมอาหารมีไหมเขาบอกว่ามีเขาก็ให้สัญญาณกดอดอดออดรุงเขากดไปสามยัดออดออดออด ถา้าแถมใช่หนึ่งออดก้นสั่มทางก็ทางก็บอกว่าการอดแบบนี้การกดอดแบบนี้เป็นสัญญาณอะไรเขาบอกสัญญาณ น, นำอาหารมาหรือว่าจะนำอาหารมาเรีงแขกก็ถามก็บอกว่าอาหารมีพร้อมอยู่แล้วหรือเขาบอกที่นี่พร้อมทุกเวลาเพราะเป็นสถานที่รับรองแขกผู้มาจากประเทศอื่นด้วยซึ่เป็นสถานที่รับรองแขกผู้มาจากโลกอื่นด้วยพอเขาูก้กระตกใจ เราน้นจะปลอมตัวก็แบกความโง่ไปทุกอย่างอันดับแรกแบกความแพร่ๆ เ, เข้าไปซึ่งไม่มีใครก็แต่งตัวกันแต่การในสองพระตัวแบกเอาความสีเหลืองรุ่มร่ามทมงจิวรเข้าไปอีกนุ่งเสบงทรงจิวรนี่เขาก็จับได้แต่วาริยะที่สามไม่ใช่ทรงกายแบบนี้จะลักษณะท่าทางลีลาวาจามันไม่เหมือนของเขาเขาก็จับได้อีก ในเมื่อเขาจับได้ก็ยอมให้เขาจับมาเรื่องไม่แปลกปฏิเสธไม่ไหวพอเขานาอาหารมาดูดูแล้วอาหารทั้งหมดมีเก็บอย่างก็บอกอาหาราทักเขาชื่อว่าอาหารถ้วยนี้เป็นอาหารที่มีการตรงคล้ายกับเนื้อสับมีรสชาติอันนี้คล้ายเนื้อหมูนี้คล้ายเนื้อเก่งอันนี้นี้เพื่อนาคล้ายเนื้อวัวก็ลองจิบปากว่าไม่เท่าใจเห็น จิตใจเห็นไม่เท่าลองจริงก็ลองจริงไปมันคล้ายจริงจริงๆแล้วบอกอีกระเบียดนี้มีรสชาติเป็นผักผักโดยตรงแต่ว่าเขาไม่บอกว่ามังสวิรัติเพรกคณะของเขาไม่เห็นถือมังสวิรัติถือแค่มีเป็นสําคัญถ้าได้เนื้อสัตว์มาโดยไม่บาปไม่บาปไม่เขากินเจ้าฐานเขบอกว่าตามโบติเขาอยากกินเนื้อสัตว์ไหมถ้าไเอิญมันไม่มี เขาบอกว่าอยากกินเพราะอาหารทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเกลี่ยตงให้คล้ายเนื้ออะไรก็ได้แล้วขณะสีสันบรรณจะให้เหมือนเนื้อทุกอย่างได้หมดความนิ่มมันเหมือนกันดูแล้วก็เหมือนเนื้อเขาก็ใช้สัญญากระตุ้นนองเขาว่ายกอาหารไม่จานอีจานนี้มันเหมือนเนื้อหมูซีกหนึ่งก็เหมือนเนื้อวัวซีกหนึ่งเหมือนจริงจริงทิงก็เลยก็คิดว่าหมูแล้ววัวเนื้อวัวพอชี้ไปถามก็บอกอันนี้ผักนลวน เขาก็ให้เจ้าหน้าที่ขอเขามาทําทําการตรงให้ดูเอาผักธรรมดามีเครื่องบอกมีเครื่องอะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบใส่ก๊อกแคกอกแ ค, กแคกพร้งโป้มาเป็นเนื้อเหมือนเนื้อเสร็จมีความนิ่มนุนม่นเหมือ น, ก, นกันมีสีสันวรนละเหมือนกันมีกลิ่นเหมือนกันมีรสเหมือนกันอรบุญดาท่านโปรดฟังทั้งหลายและท่านโปรอ่า น, า น, นเวลานี้ถ้ามองสัญญาณไม่ปิดมันก็หมดเวลาเช่นแล้วขอลากร อ, อความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ปนผล จงมีเดียบรรดาแต่พระเถสาสังฆชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี